อันเป็นหินสลักสันฐานและไม้คล้ายเสือตัวที่มีชีวิตไม่มีผิดเหตุการณ์มันทำให้เราไม่กล้าและจะวินิจฉัยอะไรลงไปได้แน่ชัด มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ไปทีละชั้นคำตอบจะต้องมีแน่เพียงแต่เรายังไปไม่ถึงเท่านั้นเดี๋ยวนี้ผมไม่ยี่ราอะไรซะแล้วมันจะเป็นอะไรมาในรูปแบบไหนก็ได้ทั้งสิ้นขออย่างเดียวที่พวกเราพร้อมที่จะเผชิญด้วยขวัญและสติเท่านั้นคุณหนักใจมากไหมเชษฐาเห็นรอยยิ้มบางๆปากกุดขึ้นที่ริมฝีปากอันแหงผากนั้น ครับผมยอมรับเมื่อหนักใจมากทีเดียวผ่านอาชีพยอย่างผมไม่สามารถจะใช้วิชาชีพให้เป็นประโยชน์ได้ซะแล้วเมื่อเข้ามาเหยียบป่านนรกดำนี่นายจ้างสันสีสะแชมช้าไม่เห็นด้วยยิ้มมาอย่างปลอบใจตรงข้ามกับผมผมยังมั่นใจอยู่เสมอว่ามันจะเป็นป่าอาถรรพ์สักขนาดไหนก็ไม่เหนือไปกว่าตะบะของพานรพินภัยวันไปได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นก่อนที่คุณจะสะกดกำราบมันลงนั่นเวลาเท่าไหร่แล้วครับ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 ผมจะออกไปพิงไฟมันหนาวเย็นเหลือกำลังเสื้อของผมบางไปหน่อยสำหรับอากาศที่นี่เขาบอกพร้อมกับลุกขึ้นลอดตัวออกมาจากชายกระโจมผ้าพลาสติกกันน้ำค้างซุกมือทั้งสองข่ายประสานกันเข้าไปในอกเสื้อแจ็คเก็ตชนิดเบาบางที่ใช้ใส่อยู่เป็นประจำในเวลากลางคืนอย่าลืมที่ผมสั่งไว้ผมไม่ต้องการให้คุณออกนอกบริเวณแคมป์จนกว่าจะสว่างหัวหน้าคณะกรรมกมา ผานของเขาทั้งสี่รวมทั้งสาปาและขยินก็ทยอยกันเข้ามารวมกลุ่มด้วยทันทีเมื่อเข้าไปย่างตัวอยู่ริมกองไฟสีหน้าและแววตาของคนเหล่านั้นบอกความรู้สึกภายในให้ทราบได้โดยไม่จําเป็นต้องอธิบายออกมาด้วยคําพูดใดๆทั้งสิน้นนายไอ้ที่มายืนให้นายกับนายแหม่มเห็นเมื่อครู่มันไม่ใช่คนหรอกแต่มันเป็นเจตพูดของไอเสือโครงดําตัวนั้นบุนคํากระซิบเสียงสั่นกระเส่าคลางสั่นกระทบกันอยู่กราวๆด้วยความหนาวระคนหวาดกลัว เขาถามเสียงต่ำๆมองดูตาผ่านเท่าแห่งนิยายด้วยสายตาติิตงบุญคำทำหน้าลอกแลกอึกอักอยู่ในลำคออธิบายไม่ถูกเหมือนกันอย่าเลอะเทอะเข้าป่ารกนักเลยบุญคำขณะนี้เราเองก็ลุกอยู่ในป่าอันลึกที่สุดแล้วพยายามเหนียวรั้งใจไว้บ้างเคยยินเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยแม้จะได้ยินว่าไอเสือตัวไหนตามันไม่ตอบแสงไฟสองเห็นตัวแล้วยังดูไม่รู้ว่ามันหรือเปล่า เคยินสอนมาอีกคนหน้าซีดเผือดหวาดกลัวสุดขีดหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้มาก่อนเราก็ได้มาเห็นมารู้ใน น, นรกดำแห่งนี้ไม่เห็นมีอะไรจะต้องแปลกใจตื่นกลัวไปเลยเลิกนิสัยขี้ขาดของเจ้าสทีเคยินป่านี้เราขาดเมื่อไหร่เราแพ้เมื่อนั้นความกล้าหาญเท่านั้นที่จะช่วยเราชนะมันได้เคยินไม่กลัวคนไม่กลัวสัตว์แต่เคยินกลัวผีถ้าผีมีอำนาจมากกว่าคนโลกนี้ก็ควรจะเป็นโลกของผีไม่ใช่โลกของคน นายพูดถูกสั่งปลาเองก็กลัวซะจะไม่รู้จะกลัวอะไรขอให้มันโผล่ตัวไหมเห็นเถอะสั่งปลาจะยิงมันเองเจ้าตองสูยืดอกขึ้นประกาศขยับราเฟิมใหน่อยมือชูขึ้นถ้าเองเก่งจริงเหมือนพูดเราก็เองก้าวออกไปให้พ้นเขตกองไฟนี่ไอ้สีดองาด้วนบุญคำชี้หน้าร้องท้ามาสาายยั่งปลายิ้มแงแงลุงคำต้องออกไปกับข้าด้วยสิทุย ตอนที่นายนั่นคุยกับเจ้านายอยู่ในที่นอนเมื่อกู่พวกผมได้ยินเสียงมันเดินอยู่หลังเห็นด้านนี้จันชี้มือไปทางด้านหนึ่งแต่เป็นเสียงเสือไม่ใช่เสียงคนช่วยกันส่องไฟก็ไม่เห็นตัวพอดับไฟก็ได้ยินเสียงอีกพักใหญ่จึงเงียบสนิทไป รับผิดยิ้มซะแยะมองไปยังพลานทุกคนที่แวดล้อมรอบกายเขาอยู่ดีแล้วที่มันพยายามเข้ามาใกล้เราขอให้เป็นอย่างนี้ทุกคืนเถอะเราจะได้ไม่ต้องลำบากไปตามมันให้เหนื่อยแรงข่าวหลังอย่าเพิ่งส่องไปจนกว่าจะแน่ใจถ้าส่องต้องเห็นตัวมันลองดีกับนายเหลือเกินทําไมนายไม่ออกไปตามมันซะตอนนี้เกิดไปกับ น, นายเองเกิดถามโพล่งขึ้นด้วยนิสัยอันบ้าดีเดือดประจําตัวนายใหญ่ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ฉันตามมันออกไปให้เกิดอย่าเสือดยุ ด, ดี เฉยหันไปตวาดเบาๆตาเขียวแย่เขียวเก้าใสสหายวัยเดียวกันนายไม่ตามออกไปนะดีแล้วมันไม่ใช่เสือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ยิ่งกลางคืนมันยิ่งมีอำนาจกลางวันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงค้าจะไม่เห็นตัวมันเลยข้าก็มีหูที่จะฟังเหมือนพวกเองทุกคนเหมือนกันไอ้น่รกจกกะเบิดนั่นบางทีก็เดินสี่ตีนบางทีก็เดิน2ตีนแล้วเองทายถูกแล้วว่ามันเป็นอะไร และพิงนอนคุยอยู่กับกลุ่มพานพื้นเมืองริมกองไฟนั้นโดยไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาภายใต้เพิงพักนอนของกลุ่มนายจ้างองีกเขาหลับหลับตื่นตื่นจนกระทั่งฟ้าสางบุญคำลุกขึ้นชวนออกเดินสำรวจบริเวณจึงคว้าปืนออกไป ชายถาวรา ฤ, ฤิศถูกขย่าปุกโมงเงียขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียประสาทหูอันดั้นกลิ่งเพราะความอดนอนแววเสียงพวก่านพื้นเมืองพูดอะไรกันวุวย่ยวายข่มอยู่รอบตัวพอขยี้เปิดกตาลืมขึ้นอย่างแสะผ้าก็เห็นดาวรินมาเรียและชายยันลุกขึ้นก่อนแล้วและคนที่กําลังขย่าปุกเขาก็คือชายยันนั่นเองส่วนพานใหญ่รับเพียงยืนห่างออกไปเล็กน้อยเบื้องหน้าดาวรินกับมาเรียกําลังรุมล้อมสักถามอะไรอยู่แซ่ ฟังไม่ได้สับที่ได้ยินชัดเจนที่สุดก็คือเสียงตะโกนกรอกช่องหูโดยสหายของเขาเต่นเร็วช่อท้าเกิดอะไรขึ้นไอเสือหินที่เราไปพบในถ้ำตัวนั้นมันมันหายไปซะแล้วมันหายไปจากที่ที่มันเคยอยู่เสียงนั้นแผดกล้องมาฟังแทบไม่เป็นภาษาราชะสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะตะลึงพลึงเพลิด เขาไม่แน่ใจว่าฝันไปหรือเปล่าเมื่อได้ยินคำบอกเล่าเช่นนี้มารู้สึกตัวแน่ใจก็ต่อเมื่อสหายรักร่วมตายถูกกระชากแขนให้ยืนขึ้นและพร้อมกันนั้นพรานใหญ่ดารเนมาเรียก็พลู ก, กันเข้ามาห้อมล้อมสีหน้าของทุกคนซีดเผือดรับพินเช่ฐาหลุดปากออกมาเสียงแทบไม่ผ่านลำคอจ้องหน้าจอมผานตาเบิกโพงเป็นความจริงหรือ มันผิดวิกลอย่างไรซะแล้วละครับคุณชายก้อนหินที่เป็นรูปเสือที่เราพบบนถ้ำตอนเย็นวานนั่นอันตรธานไปได้จริงๆผมกับบุญคำย้อนขึ้นไปดูหยกๆนี่เองไม่พบมันซะแล้วความตื่นเต้นตกใจต่อเหตุการณ์ขจัดความง่วงเงียโผเพของเชษดาไปราวกับปิดทิ้งก้มลงคว้าไราเฟิลประจำตัวขึ้นมา ไปดูด้วยกันให้เห็นชัดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเขาพูดหนักๆในลําคอและออกเดินเลี้ยวนำหน้าไปในทันทีนั้นทั้งหมดก็ติดตามกันมาเป็นขบวนอย่างกระชั้นชิดตลอดเวลาไม่มีใครปริปากพูดคำใดกันเลยเพียงไม่กี่อึดใจต่างก็บรรลุถึงปากถ้าที่ขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อเย็นวานณที่นี้ยกเว้นจักรพินกับบุญคาทุกคนยืนตะลึงเหมือนถูกสาบให้กลายเป็นหินไปชั่วขณะ โน no, impossible เสียงมาเรียระเบิดลั่นออกมาดวงตาของหล่อนเหลือกล้านมีอาการเหมือนจะช็อกหมดสติลงมุมหนึ่งของปากคูหาท้ำกว้างซึ่งทุกสายตา ย, ยืนยันได้ว่าเมื่อเย็นวานนี้มีหินใหญ่มาหืมารูปลักษณะเป็นเสือโครงใหญ่ยืนผงาดเอี้ยวคออยู่และต่างก็ได้เข้าไปรูปคำพิจารณาดูจนใกล้ชิดหน้บัดนี้มันหายไปซะแล้ว ชายันเป็นคนแรกที่กระโจนพวดเดียวเข้าไปถึงตำแหน่งนั้นและคนอื่นก็ถลันเข้าไปติดๆแสงแดดในยามเช้าส่องผ่านสายหมอกที่โปรยปิวเป็นละอองเข้ามายัางบริเวณนั้นทำให้สังเกตเห็นอะไรอย่างถนัดชัดเจนที่สุดและนบบัดนี้อดีตนายทหารปืนใหญ่กำลังเอามือรูปคำอยู่กับก้อนหินซึ่งจำได้ว่าเท้าหน้าทั้งสองของเสือหินยืนเหยียบเกาะ อ, อยู่เมื่อวานเย็น มือของเขาสั่นสะท้านมีสีหน้าปั้นยากที่สุดดารินหัวเข่าอ่อนอยากจะร้องกรีดออกมาให้สุดเสียงแต่ก็ไม่มีคำใดหลุดพ้นริมฝีปากอันแห้งผากของหล่อนออกมาได้ส่วนเซไปพิงแง่ผนังหินงอกตอนหนึ่งมาเรียขยับริมฝีปากขมุบขมิบเหมือนจะสวนอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าส่วนพวกพานนั้นก็มีสีหน้าไม่เป็นผู้เป็นคนสั่นเทิมกันไปหมดร่ำๆจะออกแล่นป่าล่าไปไม่รู้ทิศรู้ทาง มีใช่ถาคนเดียวเท่านั้นภายหลังจากสะกดสติอารมณ์ควบคุมสติไว้ได้เขาก็กวาดสายตาไปรอบๆ อ, อ, อย่างถี่ถ้วนพิจารณาไม่มีร่องรอยหรือเววอะไรทั้งสิ้นเ อ, เอหัวหน้าคณะร้องขึ้นดังๆพร้อมกับฝืนหัวเราะเสียงแปลงนี่มันเป็นฉากของการเล่นกลมาโหรานทีเดียวแหละก็เมื่อวานนี้เราก็เห็นอยู่กันทุกคนไม่ใช่หรือว่ามันเป็นหินและยืนอยู่ตรงนี้เห็นภูเขาไฟอย่างการวิเคราะห์ของเมย์ค่ะ แต่หินหินมันย้ายตัวเองได้มาเรียตอบเกือบไม่มีเสียงอืมเป็นไปไม่ได้น่าจะต้องมีใครเล่นกลให้เราดูแล้วชิวถ่ายยงคงพูดปนหัวเราะเช่นนั้นอันเป็นตรงข้ามกับความรู้สึกที่แท้จริงพางมองไปยังจอมผ่านกล่าวต่อมาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเป็นการปอบขวัญทุกคนหรือยังไงผู้กอง คุณกับตะ บ, บุญคำมาช่วยกันแบกไอเสื่อหินตัวนั้นไปซ่อนไว้ที่ไหนพรานใหญ่ไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มแล้วยิ้มนั้นแห้งผาเดินวนเวียนไปรอบๆ บ, บริเวณพยายามตรวจดูตามพื้นโดยไม่ปริปากคำใดกับใครอีกทั้งสิน้นชายยันกัดนิ่มฝีปากแน่นแทบห่อเลือดเพื่อจะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าสิ่งที่ปากฏกับตาในขณะนี้ไม่ได้ฝันไปหน้าผากเป็นริ้วรอยยน่นสอแววอัสตัรใจเหลือที่จะกล่าว ระหว่างนี้ทุกคนดูเหมือนจะกลายเป็นใบ้กันไปหมดสายตาที่มองจ้องกันเองอยู่ไปมาล้วนเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบมาเรียเลื่องเข้ามายืนเบียดชิดกับเพื่อนสาวกระซิบเบาที่สุดมันหายไปได้ยังไงพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้ดาวรินตอบด้วยริมฝีปากขมุบขมิบ ระหว่างที่ใช้ถ่ายยืนหัวเราะเหมือนจะขบขันแปลกใจที่สุดซึ่งมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มองสถานการณ์ในแง่ขบขันบุญคำก็เลื่อนเข้ามาชิดพลานใหญ่พูดเสียงสั่นเครือได้ยินกันเพียงสองต่อสองเมื่อวานผมบอกนายแล้วนายก็ไม่เชื่อมันคือสมิงพลายวิญญาณกลับคืนเข้ามาสิงร่างหินมันกลายเป็นเสือจ้องจะเล่นงานเราเมื่อคืนแล้วก็หนีไปไอ้โครงดาที่จ้องรังควานพวกเรามาตลอดกับเสือหินที่เราพบที่นี่เมื่อเย็นวานนี้เป็นตัวเดียวกัน เขาเหลือบตาขึ้นสพผ่านเท่าคู่ใจอึ้งไปนานสุดที่จะตัดสินใจอย่างไรได้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับเดี๋ยวนี้เขาไม่ว่าคำพูดประษาบุญคำจะเป็นสิ่งเลื่อนลอยเลหลวไหลเกินไปแล้วจากหลักฐานสิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่เราจะต้องได้พบกับมันอีกบุญคำหรือไม่ก็เราก็ตายกันทั้งหมดซะก่อนแกกระซิบตอบเขาหน้าเย็นกระด้างเหมือนหิน รพินตบแขนเผาเท่าเบาๆแล้วเดินกลับมารวมกลุ่มกับคณะนายจ้างซึ่งยังมุงล้อมอยู่ตรงตำแหน่งที่เห็นเสือหินยืนตระ n g g a n อยู่เมื่อเย็นวานเห็นวิวแววการเคลื่อนไหวของมันบ้างไหมเชตหาถามจอมพานสั่นศีรษะแทนคําตอบถึงไม่ได้หลักฐานอื่นใดเลยอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนตรงตำแหน่งที่เสือหินอยู่ตรงนี้ชายยันบอกมาเสียงหนักๆใช้มือกวาดลูกบนก้อนหินลูกที่ขาคู่หน้าของเสือหินเหยียบอยู่ เห็นไหมว่ามันไม่มีร่องรอยอะไรสักนิดเดียวที่จะแสดงให้เห็นว่ามีก้อนหินรูปเสือมาตั้งอยู่ตรงนี้ตามปกติถ้ามันเป็นก้อนหินจริงและประดิษฐานอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานหากมีอะไรสักอย่างมาเคลื่อนย้ายถอดมันออกไปก็ควรจะเห็นรอยอะไรบ้างต่อให้ใช้วิธีแซะหรือประคองกันอย่างระมัดระวังสับเพียงไหนหินสองก้อนซ้อนทับกันเมื่อก้อนหนึ่งถูกงัดเอาออกไปมันจะต้องเหลือร่องรอยให้เห็นอย่างไม่มีปัญหาแต่นี่ไม่มีวี่แววอะไรสักนิดเดียวราวกับว่าเป็นสัตว์ ที่มีชีวิตมาอาศัยเหยียบยืนและตัวแข็งนิ่งอยู่ชั่วระยะสั้นๆต่อจากนั้นก็เคลื่อนตัวเองไปมันถึงไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้พบฉันเห็นด้วยกับเหตุผลข้อคิดของคุณชา ย, ยันมาเรียรับรองมาอีกคนหนึ่ง และทุกคนก็ไม่รู้จะค้านหรือมีความเห็นแยกไปในทางอื่นใดได้ไดรพินไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจดูตามที่ชัยยันว่าเพราะเขาเองก็เฉลียวคิดพร้อมกับประสบกับความงงงานจับต้นชนปลายถูกมาก่อนขณะที่เข้ามาพบพร้อมกับบุญคำก่อนที่จะไปรายงานให้คณะทั้งหมดทราบถึงสิ่งที่ผิดปกติวิกลนี้ หัวหน้าคณะยังเสียงแปลงอยู่เช่นนั้นสหายของเขายืนขึ้นช้าๆกล่าวว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเชษฐาที่แก่จะมายืนหัวเราะร่วนอยู่อย่างนั้นฉันเองก็อยากจะหัวเราะเหมือนกันและถ้าหัวเราะ อ, ออกไปได้เสียงมันก็คงฟังพิลึกพิลึกเหมือนกับเสียงหัวเราะของแกขณะนี้เองแหละ ชั้นขำที่ก้อนหินทั้งก้อนมันหายไปได้อย่างลึกลับคขำสิ่งวิกฤวิการที่เราหาเหตุผลไม่ได้ซึ่งมันแวดล้อมคุบคามรอบตัวเราไปหมดในขณะนี้บางทีพวกเราอาจฝันไปพร้อมๆกันหมดว่าแต่นี่แนมาช่วยกันพิจารณาดูซิว่าพวกเรานอนหลับกันอยู่ที่บ้านพักหนองน้ําแห้งของระพินแล้วฝันพิสดารกันไปหรือเปล่าบางทีระยะเวลาระหว่างนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายที่เราตัดเตรียมตัวออกเดินทางแล้วดันฝันล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ ว่าแล้วเชตาก็ขีดไลเตอร์สว่างพรึบขึ้นลนกับฝามืออีกข้างหนึ่งเขาสัมผัสได้กับความร้อนจากเปลวไฟนั้นจึงยักไหลสีหน้าคงยิ้มอย่างเยือกเย็นตามเดิมขณะที่พึมพำต่อว่าเออความจริงแฮะไม่ใช่ความฝันแน่ๆถูกไฟยังร้อนแทบพองอยู่นี่เอาละ่ะพวกเราลงความเห็นกันว่าอย่างไรในสิ่งที่พบเห็นนี่ประโยชหลังเขาถามกราดไปยังทุกคนที่ยืนกันอยู่ในอริยบทต่างๆทุกคนเงียบกริบ พ่านใหญ่มองนิ่งไปยังราชสกุลสาวผู้ยืนพิงแง่งหินกอดปืนนิ่งเหมือนถูกสะกดนักมนุษย์วิทยาจะว่าอย่างไรครับฉันเป็นนักมนุษย์วิทยาไม่ได้เป็นนักสั ต, ตะวศาสตร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญในทางโลกพิศวงเพราะฉะนั้นตอบได้เพียงคําเดียวว่าจนด้วยเกล้าคุณเองเปรียบเหมือนเจ้าป่าทําไมถึงไม่บอกให้พวกเรารู้ว่ามันคืออะไร เชื่อไหมครับว่าเสือหินตัวนั้นกับเสือโคร่งดำที่ทำตัวเป็นศัตรตูจ้องทำร้ายพวกเรามันคือตัวเดียวกันขณะที่โจมตีเรามันเป็นเสือจริงแต่เมื่อรับตาและต้องการจะปีกหลบมันก็ทิ้งซากให้แข็งทื่อเป็นหิน ดารินยกมืออันสั่นเทาขึ้นเสรยเส้นผมขณะนี้เดี๋ยวนี้เมื่อยังไม่อาจเห็นชัดกับสายตาชนิดคาหนังคาเข า, า ah ah, ยังไม่เชื่อเพราะไม่รู้จะเอากฎเกณฑ์ใดๆมาเชื่อได้แต่ยอมรับว่านี่เป็นสิ่งลึกลับพิสดารที่สุดก็คุณละ่ะเชื่อเช่นกันนั้นนึก จอมพานโครงศีรษะอย่างอึดอัดใจเป็นที่สุดผมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็อยากจะคิดอย่างที่คุณหญิงคิดนั่นแหะครับผมยอมรับว่ารู้เรื่องสัตว์และเรื่องป่าดงมาดีพอสมควรทว่าตั้งแต่ออกจากหลมช้างมาแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่าป่านรกดําของมังมหานรธานีกําลังจะทําให้ผมต้องเส้นลายมันก็อาจจะเช่นเดียวกับนักสํารวจทั้งหลายที่พากันเอาชีวิตมาทิ้งซะก่อนหน้าเหล่านี้ไม่ทราบว่ากี่รุ่นกี่สมัย ภัยวันจอมพานผู้ยิ่งยงอย่างคุณไม่น่าจะพูดอะไรให้พวกเราท้อถอยเลยนะมาเรียตำหนิมาดวงตาอันเต็มไปด้วยแววทรหดตึกปืนจับเนี่ยงมาที่เขาพานใหญ่ ย, ยิ้มเข่นเข่นก้มศีรษะให้นิดหนึ่งขออภัยผมกล่าวอย่างจริงใจสัญญากันไว้แล้วว่าเรามีอะไรก็จะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่จำเป็นจะต้อง ปิดเงื่อนงำไว้ผมชักไม่แน่ใจขึ้นมาซะแล้วว่าผมจะนําพวกคุณฝ่าความลี้ลับอันน่าสยองกลัวของดงมหาการนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งเพียงไหนและไม่คิดว่าคาพูดของผมจะทําให้พวกเราขวัญเสียเพราะทุกคนในที่นี้ผมไว้วางใจแล้วว่าทั้งสิ้นเป็นนักสู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยฝีมือเป็นนักผจญภัยที่เลือดเข้มขน้นพวกเราทั้งหมดหลวมตัวเข้ามาใจกลางความลี้ลับมหาสิ ร, รั์นี้แล้วถอยกลับหรือก้าวเข้าไปข้างหน้าย่อมมีผลเท่ากันสิ่ง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 ฟาดกับมันรับพินให้รู้ไปว่าพวกเราต้องตายกันทั้งหมดเหมือนนักสำรวจรุ่นก่อนสำหรับพวกผมสี่คนนี่ย็นใจได้สำคัญกล่อมใจปลอบขวัญพวกผ่านพื้นเมืองทุกคนไว้ให้ดีก็แล้วกันพวกนี้กล้าหาญและมีฝีมือดีก็จริงแต่เขาอาจจะหวาดหวั่นไปกับสิ่งที่มองเห็นดูเหมือนอำนาจพูดผีปีศาจนี้ก็ได้ชา ย, ยันบอกมาอย่างเด็กเดี่ยวกล้าหาญ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 ยิ่งเคยินกับส่างปาก็ยิ่งอาการหนักทั้งสองกายสันเทาเป็นลูกนกแสดงความหวาดกลัวผ่านพึงสุดขีดจนถึงกับบุญคำซึ่งเป็นคนมั่นคงอวุโสที่สุดในกลุ่มพานพื้นเมืองต้องพูดจาเปราะปกใจระคนไปกับการผลาญสวาด่าทอตามนิสัยของแกอย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะควบกลุ่มกาลังใจของบุคคลเหล่านี้ไว้ได้มันอยู่ที่พวกเราครับ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 ก็ได้เห็นใจพวกนั้นเหมือนกันฉันเองก็แทบจะช็อกอยู่แล้วดาวเร็นกล่าวขึ้นแผ่วเบาดวงตาอันเคยเป็นประกายแวววาวแจ่มใสบัดนี้ลึกโรยแห้งผากด้วยอำนาจแห่งความหวาดระทึกผสมกับความกลากรำสมบุกสมบันขวัญและกําลังใจของหล่อนไม่ปกติมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผานใหญ่จ้องดูอย่างกังวลแต่แล้วก็มันเกิดความแน่ใจจากประสบการณ์เท่าที่เคยรู้เห็นกันมาก่อนเขาเชื่อว่าเมื่อนาทีขับขันขีดสุดมาถึงน้องสาวของนายจ้างย่อม เข้มแข็งองค์อาจสามารถรเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้เสมอเพราะอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็มีเลือดระห่ำ ม, มุทะลุอยู่ในตัวไม่น้อยคุณหญิงรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเช้าวันนี้เขาหมายถึงอาการของหล่อนหมอดารินฝืนยิ้มอย่างแห้งแล้งแววฮึสู้ฉายผ่านไปในดวงตาทั้งคู่ยอมรับว่าไม่สู้จะสบายนะักทั้งจิตและกายแต่ถึงอย่างไรคุณและทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงฉันไปได้เสมอแล ะ, ะเผชิญได้ในทุกสภาวะการ จะว่าอันที่จริงเหตุการณ์ที่เราพบนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่และแปลกอะไรไปนักเราพบอะไรที่มันวิตฐานอย่างนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทําไมถึงจะมาใจฝ่อกันเสียกับเพียงไอเสือประหลาดตัวนี้ชา ย, ยันเปลยประกาศพร้อมกับหัวเราะเยาะหยันเหตุการณ์อยู่ในลําคอสําหรับพวกเราก็ไม่เห็นมีใครขวัญเสียผิดปกติไปนี่เชิดถาว่ามองกลาดไปยังพักพวกทุกคนแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่มาเรียถามว่าคุณกลัวไหมเมยแหม่สาวยิ้มกร่อย ครั้งแรกที่เห็นรูปเสือนั่นอันตรธานไปฉันตกใจมากค่ะแต่ถึงจะตกใจหวาดกลัวเพียงใดเราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นความกลัวมีแต่จะฆ่าให้เราตายเร็วยิ่งขึ้นฉันคิดว่าถ้ารอดชีวิตกลับไปยังถิ่นซีวิไลาตามเดิมฉันคงจะเขียนหนังสือได้เล่มหนามากเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นในการเดินทางเข้ามายังโลกหลงสํารวจส่วนนี้และชาวโลกเขาก็จะต้องเห็นว่ามันเป็นบันทึกเหตุการณ์ที่เหลวไหลยที่สุดหรือมิฉะนั้นคนเขียนก็เสียสติไป อย่าเพิ่งคิดการไกลไปถึงเพียงนั้นดีกว่ามาคิดกันว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันอย่างไรหัวหน้าคณะบอกแล้วหันมาทางจอมพรานพยักหน้าถอยเถิดและพินกลับไปปรึกษากันที่แคมป์ ทั้งหมดผละออกจากปากถ้ำย้อนกลับลงมายังที่พักรับเพินเรียกคนของเขาทั้ง4รวมทั้งขยินและสังปาเข้าไปรวมกลุ่มซุบสิบอะไรกันครู่ใหญ่ซึ่งเชษฐาชื่อว่าพานใหญ่คงจะพูดจาปลอบขวัญและกําหนดนัดแน่อะไรกับคนพวกนั้นเพราะเห็นทั้ง6คนคลายความหวาดหวั่นลงแต่ก็เครื่องครึมกันไปหมดไม่มีใครเบริกบานเล่นหัวหรือตลกขนองเหมือนเคย ระหว่างบรรจุกระเพาะจากสเบียงตามมีตามเกิดซึ่งเจียดแบ่งมาจากเมื่อวานเย็นเชิดถาก็เอ่ยถามทุกคนว่าเอาละเรามาช่วยกันวินิจฉัยว่าเสือหินตัวนั้นหายไปได้อย่างไรในกลุ่มนิ่งงันไปชั่วขณะผู้มีหน้าที่รับผิด ช, ชอบต่อคำถามชนิดนี้ก็คือพานใหญ่โดยปริยายเพราะทุกคนในกลุ่มนายจ้างไม่มีใครปิดปากนอกจากสงสายตามาที่เขาเป็นเป้าเดียว ผมไม่กล้าวินิจฉัยลงความเห็นอย่างใดได้เพราะถ้าจะบอกว่ามันกลายร่างเป็นเสือจริงภายหลังเมื่อรับตาพวกเราแล้วและเคลื่อนไหวไปได้ผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรลับผินตอบอย่างสำรวมทำไมไม่ลองถามความเห็นพวกพลาญพื้นเมืองดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญคำแกอาจจะมีคำตอบอะไรบ้างก็ได้ชัยยันอย่างมา ภายหลังจากลังเลช่างใจชั่วครู่ระพินก็ตะโกนเรียกบุญคํากวาดมือให้เข้ามานั่งรวมกลุ่มกับคณะนายจ้างเล่าให้ในายจ้างฟังบุญคําคิดว่าไอเสือหินตัวนั้นมันเป็นอะไรเขาสั่งบุญคํากับพิบตาปิกๆทาหน้าเลิกลิกเหมือนไม่แน่ใจเมื่อเขาพยักหน้าเตือนและชายันกับเชิดาเร่งซักไซขอความเห็นใหม่อีกครั้งแกจึงบอกถึงสิ่งที่แกเคยได้พูดกับจอมผานไว้แล้วถ้าจะละเว้นก็เพียงแต่เรื่องแก้อาถันเท่านั้นพอตาผานเท่าย่อมฉลาด พอที่จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่แกไม่สมควรจะพูดออกไปทั้งสี่ฟังอย่างตะลึงและใช้ความคิดอีกคนหนึ่งได้การแปลถ่ายทอดให้เข้าใจแต่ก็เข้าใจได้เฉพาะคำบอกเล่าเท่านั้น บุญคำกระซิบบอกผมตั้งแต่เย็นวานนี้แล้วแต่ผมเห็นว่าไร้สาระเกินไปถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่แกเล่าแล้พินพูดขึ้นต่ำๆเมื่อบุญคำกล่าวจบสมิงพลายใช้ถาทวนคำช่ช้าดวงตาทั้งกู้หลีลงขณะที่บทเม้มริมฝีปากแน่นไอเสือตัวนั้นน่ะเหรอที่เป็นสมิงพลายอย่างที่บุญคำเข้าใจก็แล้วถ้างั้นขณะที่วิญญาณของมันถอดออกจากกร่างทิ้งซากทยเป็นก้อนหินวิญญาณของมันจะไปสิงสู่อยู่ที่ไหน มันจะต้องมีร่างอีกร่างหนึ่งในายใหญ่แต่จะเป็นร่างของอะไรเราย่อมไม่รู้แต่ผ่านเท่าบอกมาโดยเร็วน้ำเสียงมั่นคง ทันใดนั้นเองเรากับจะนัดไว้และพลินและอีกสคนในกลุ่มนายจ้างหันมาจ้องหน้ากันเองอย่างฉุกใจด่ารินร้องออกมาเร็วปือมันจะเป็นไปได้ไหมสมมุติว่าเมื่อวิญญาณนั้นเข้าเสือหินมันก็กลายเป็นเสือมีชีวิตขึ้นมาแล้วพอถอดออกมาเข้าร่างของไอ้ศพตายซากนั่นศพก็ลุกขึ้นมาเดินได้โดยสลับกันสุดแต่ความต้องการของมันร่างใดร่างหนึ่งในระหว่างสองร่างอันเป็นเสือหินกับศพตายซากนี้จะเริ่มมีบทบาท ข, ขึ้นก็ต่อเมื่อวิญ ญ, ญาณเลือกเข้าสิงร่าง น้อยฉันกำลังคิดอย่างเธอมาเรียพูดเสียงสัน่นนายหญิงน่าจะคิดถูกแล้วบุญคำก็เพิ่งจะนึกได้เดี๋ยวนี้เองมันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้เสือหินกับไอ้ผีตายซ่าจะต้องเป็นวิญญาณเดียวกันบุญคำร้องขึ้นละล่ำละลักน่าคิดน่าผู้กองหรือคุณมีความเห็นอย่างไรเช็ดถ า, ถามเริ่มมีอาการตื่นเต้นกระตือรือร้นในการคล้อยตามขึ้น ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงเธอครับทางแก้ไขของเราก็พอมองเห็นอยู่ง่ายๆแล้วคุณจะทํำยังไงชัยยามซักโดยเร็วทําลายมันซากทั้งสองร่างสุดแต่ว่าจะมีโอกาสพบร่างไรเข้าก่อนและไม่ต้องคํานึงด้วยว่าขณะที่เราพบนั้นมันจะมีวิญญาณครองอยู่หรือไม่ต่อไปนี้เราจะทําอย่างที่ครเมอร์เคยทำํำคือถ้าพบศพตายซากงั่นนอนให้เห็นอีกที่ไหนเราจะเผาเสียและเฝ้าดูจนกว่ามันจะกลายเป็นขี้เท่าแต่ถ้าเห็นมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างสิ่งมีชีวิตเรา จะสกัดจับมันในทุกวิถีทางไม่ว่าจะโดยลูกปืนหรือโดยกำลังคนสุดแต่ว่าอย่างไรจะยุติมันลงได้สำหรับเสือตัวนั้นก็เหมือนกันถ้าประจันหน้ากันแบบเสือก็จริงให้ยิงถ้าไปพบตอนเป็นหินเอาระเบิดในโตรยัดเข้าไปไม่เห็นมีปัญหายากเย็นอะไรที่เราจะพลาดโอกาสอย่างแล้ ว, ลวมาก็เพราะเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้น มันจะไม่ง่ายเหมือนอย่างว่าละสิดาราเรนแยง้งก็ไม่เห็นมีอะไรยากที่แล้วมาไม่ว่าจะในร่างเสือหรือร่างคนเรายังไม่มีโอกาสยิงมันถูกเท่านั้นผมก็อยากเห็นเหลือเกินว่าถ้ามันโดน ล, ลูก ป, ปืนอย่างจังๆมันจะเป็นอย่างไรกลัวแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหญิงว่าเท่านั้นก็ถ้ามันเป็นอย่างที่น้อยว่าแล้วคุณมีเหตุผลที่จะสันนิษฐานอย่างไรมาเรตั้งกระทูมาสวนทันควันเขาสั่นหน้า ผมบอกแล้วว่าไม่ทราบทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลพิสูจน์ในบ้านท้ายขณะนี้เข็มของเราก็คือติดตามเงาซรายอย่างเดิมเรามาระวังปกป้องชีวิตพวกเรากันเองไว้อย่างสุดความสามารถและจัดการตอบโต้ทําลายล้างทุกสิ่งที่มันจะมาเป็นภัยอันตรายต่อเราสุดแล้วแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าสําหรับเรื่องสมิงพลายนี่ถ้ามันเป็นไปอย่างที่เราสงสัยกันแบบนี้ผมก็บอกวิธีแก้ให้แล้วซึ่งมันก็จะไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่านี้ ใช้ถาหัวเราะออกมาเบาๆมองสบตาจอนพ่านคุณพูดได้ถูกต้องและควรแก่สถานการณ์ที่สุดแล้วผู้กองการวิตกวิจารณ์หรือคิดอะไรให้วุ่นวายเกินไปกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันพ้นปัญญาของพวกเราทุกคนแก้ไขขับเคลื่อนมันไปทีละเปาะพวกเราพักพร้อมกันตั้ง11คนจะหยั่นอะไรคุณเปิดร่องรอยรอบบริเวณที่พักของเราเละเอียดแล้วหรือเมื่อคือนนี้ทั้งร่างเสือและร่างคนมันมาเดินป้วนเปี้ยนเลื้อเคียงอยู่ใกล้เราอาจมีหลักฐานอะไรที่จะช่วยให้ชี้ชัดขึ้นอีกก็ได้ ผู้แนะคือมาเรียไม่มีประโยชน์ผมตรวจรอบบริเวณไม่ได้ผลแล้วถึงได้ถลายย้อนขึ้นไปดูบนถ้ำนั้นอย่างไม่ได้ตั้งใจจึงพบว่าหินก้อนนั้นมันหายไปมันเป็นการย้อนไปพบโดยบังเอิญเหมือนเมื่อตอนที่เอ้ศพไตสร้างนั้นหายไปตรงแอ่งน้ำที่เราพบครั้งแรกนั่นแหละเราจะต้องได้คำตอบนี้อย่างแน่นอนว่ามันอะไรคืออะไรหัวหน้าคณะย้าอย่างมั่นใจ แดดเริ่มแรงขึ้นอากาศก็ทวีความอ้าวแห้งผากวันมหานรกเริ่มต้นสั ญ, ญลักษณ์อันแห้งแล้งกันดานของมันให้เห็นชัดเจนยังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงรับพินสอบถามความรู้สึกและภาวะทางกายของคณะนายจ้างทุกคนเมื่อแน่ใจว่าการเดินทางไม่จำเป็นจะต้องประเวงหรือยับยั้งเขาก็สั่งเก็บของบรรจุน้ำเต็มอัตราสึกเท่าที่จะมีภาชนะเก็บใส่และขนเอาไปเป็นทุนสำรองได้แล้วนำออกเดินทางทันที ไม่มีใครเข้าใจว่าเริ่มต้นของการเดินทางวันนี้พานใหญ่หยึดอะไรเป็นหลักและไม่มีใครติดปาปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามการตัดสินใจของเขาเพียงคนเดียวการเดินย้อนผ่านขึ้นมาอย่างปากถ้ำแห่งเดิมแล้วไต่เลาะป่ายปิงขึ้นเนินเขาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือมาหยุดชะงักลังเลอยู่ครู่หนึ่งในระหว่างป่าทางสลับไปกับรกหญ้าพื้นเบื้องล่างรกไปด้วยเห็ดปลงและแป้งมีด่านเล็กๆผ้าสลับ กันไปมาเรากับใครมาลากเส้นแผนที่ไว้ส่วนหนึ่งทอดลงไปสู่เบื้องต่าทางด้านตีนเขาอีกส่วนหนึ่งนำไปขึ้นสู่เบื้องบนเว้นระยะห่างออกกันเป็นไม้ใหญ่ลักษณะเหี่ยวแห้งอุดมไปด้วยน้ำเรากับต้นงิ้วชูลำต้นซึ่งมีตะกินก้านตะงานเอื้อมท่ามกลางเปลวแดดสีไฟที่ฉายช้านปานจะอบลำต้นไม้เหล่านั้นให้กลายเป็นถ่านสุกหลายต้นมีรอยดาเหมือนถูกไฟกินมันเป็นป่าแดงที่อยู่ใจกลางดงดิบ สี่คนเดินเลี้ยงตัวตามแนวเดินอันเอียงลาดขึ้นเข้ามาโดยเกาะยึดก้อนหินและลำต้นไม้พยุงไว้เป็นหลักภูมิประเทศที่เห็นอยู่นี้มันแทบทำให้สิ้นหวังจอมพานเป่าลมออกจากปากระบายความร้อนอบอ้าวในตัวหน้าผากเต็มไปด้วยริ้วรอยยน่นเงาทายอาศัยตัดทางขึ้นมาจากทางด้านนี้เขาบอกชี้มือลงไปยังทางด่านที่ทอดลงสู่เบื้องต่ารอยเท้าถลาลื่นยังไว้กับพื้นดินปรากฏให้เห็นเป็นราง แต่ดูนั่นสิครับไอ้กองกอ ย, ยังไม่ยอมทิ้งเราเครื่องหมายของมันทำทางให้เราบ่ายหน้าขึ้นข้างบน ทางก็บุยปากขึ้นไปอย่างด้านตรงข้ามซึ่งมีเศษกิ่งไม้ยาวขนาดสอกเศษตั้งอยู่บนทางปลายส่วนหนึ่งหักงอไว้เป็นลูกศรชี้ทิศทางเชฐาก้าวก็ไปหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วกัดเรียมฝีปากเบาๆใช่แล้วมันละพบสัญญาณของมันเข้าอีกจนได้ว่าแต่พบรอยของแง่ทายขึ้นทางด้านนี้บ้างไหมยังไม่พบครับแต่เชื่อว่าคงล่วงหน้าไปแล้วแง่ทายกับกองก่อยแยกกันไม่ออกในขณะนี้แต่ผมเชื่อว่าทิศทางที่มันชี้บอกก็คือยั่วให้เรารู้ว่าแง่ทรายไปทางไหนเพื่อหวัง ผลในการติดตามเท่านั้น เมื่อพวกลูกหาบหาบของเข้ามาถึงผานใหญ่ก็เคลื่อนที่ต่อหนทางมันเลาะอ้อมลูกเขาอันแห้งแล้งสูงขึ้นทุกขณะมีสัญญาณหักกิ่งไม้ให้เห็นอยู่เป็นระยะจากด่านเล็กอันรัดเลี้ยวโผล่ทะลุออกมาสู่เส้นทางสายใหญ่ราบโลง่งแล้วก็แยกเข้าสู่เส้นทางคดเคี้ยวเล็กแคบสลับกันไปครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่พบเห็นไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้แห้งก้อนหินแล้วก็ก้อนหินไม่มีที่สิ้นสุดประกายแดดก็ร้อนแรงกล้าขึ้นทุกขณะที่เวลา ผ่านไปมีทุ่งอยู่บนยอดเนินแต่ละลูกที่ผ่านขึ้นมาถึงแล้วก็ไต่ขึ้นสูงเพื่อที่จะบรรลุถึงยอดเนินอีกลูกหนึ่งที่เลียงสลับซับซ้อนตามลำดับไหลขึ้นไปสัตว์ที่พบมีแต่นกหัวควานขนาดใหญ่ที่เกาะอยู่ตามลำต้นไม้แห้งและโขกจะงอยปากอันแข็งราวกับสิวเหล็กของมันดังระรวยอยู่เป็นจังหวะ แต่และตัวที่พบมีขนาดเกือบไก่ชนและสีสันดำสนิทราวอีกาส่งเสียงร้องพิกลเมื่อเห็นสิ่งแปลกปลอมคือมนุษย์ทั้ง11ชีวิตที่กรัมกันมาอย่างอิดโรยสะบักสะบอมชา ย, ยันสกิดให้ดารินดูกระซิบบอกว่านั่นแหละคืออีกาปากเหล็กในนรก ลครงล้างดินจืดมานานแล้วผ่านพบสองสามแห่งปจากร่องรอยของสัตว์สีเท้าชนิดใดนอกจากรอยลงนาของช้างโทนรอยทิ่มแทงเหล่านั้นถูกขุดลึกลงไปในดินราวกับรถแท็กเตอร์ไถ แต่มันเก่าไม่ต่ำกว่าอาทิตย์หนึ่งมาแล้วพรานอยากอธิบายให้ฟังมันพยายามที่จะขุดหาน้ํากินเพราะช้างมีคุณสมบัติพิเศษในการสามารถดมกลิ่นน้ําใต้พื้นดินและมีปัญญาขุดหากินเองได้แต่รอยที่เห็นนั้นแม้ไอ้พายโทูลตัวนั้นก็คงจะหมดหวังที่จะได้กินน้ําเพราะสุดช่วงงาอันยาวเหยียดของมันที่งัดดินลึกเป็นหลุมถึง1เมตรสิ่งที่จะพบได้ก็คือทรายปนกรวดลูกรังที่มีลักษณะแค่ชื้นๆเล็กน้อยเท่านั้น